แนะนำบทอะซุกรุปบทอะซุกรุปเป็นบทมักกิยามีแปดสิบเก้าองค์การบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงแหล่งที่มาของวะบียและข้อเท็จจริงของอัลกุราอานอัลลอฮ์ทรงประทานลงมาให้แก่ท่านนาบีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นด้วยสำนวนที่ชัดเจนและข้อชี้แจงที่ชัดแจง้งทั้งนี้เพื่อเป็นปาฏิหาริย์ที่กระเจางชัดแก่ท่านนาบีและชาวโลก อยางนั้นได้เปิดเผยหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพของอโละซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในจักรวาล น, นั้นกว้างใหญ่นี้ในชั้นฟ้าและผ่นดินในภูเขาและที่ราบลุ่มในท้องทะเลและแม่น้ําในน้ําที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้าและเรือเดินสมุทรที่อยู่ในท้องทะเลในปศุสัตว์ซึ่งอโลาะอํานวยความสะดวกให้แก่มนุษย์เพื่อพวกเขาใช้บริโภค และชายเป็นผานะบท น, นี้ได้กล่าวถึงสังคมสมัยยาฮิลิยะที่ใช้ชีวิตอยู่กับการเชื่อยอย่างงมงายและการบูชาเจเวิตโดยที่พวกเขาเกลียดบุตรหญิงแต่ในเวลาเดียวกันก็ยัดเยียดบุตหญิงให้แก่อัลลอฮ์ด้วยความโง่เขลาบาปัญญาโดยอ้างว่ามาไลกาเป็นบุตรหญิงของอัลลอฮ์องค์การต่างๆได้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงเพื่อกระจัดความเชื่อถือที่ไม่ถูกต้องของพวกเขา และเพื่อที่นำจิตใจให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและข้อเท็จจริงที่แน่นอนบทนี้ได้กล่าวถึงการเรียกร้องเชิญชวนของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามซึ่งพวกบูชาจเจวิตได้กล่าวอ้างว่าพวกเขาสืบเชื้อสายและมีแนวทางเดียวกันกับเขาบทนี้ได้ปฏิเสธข้ออ้างอาลัลเหลวไหลของพวกเขาและได้ชี้แจงว่าอิบราฮมนั้นเป็นคนแรกที่ปลีกตัวออกจากการเชื่อถือจเจวิต วันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของมูซาที่ปลีกตัวออกจากการฟิรเอาเพื่อยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นก็คือฟิร์เอาผู้มีความยิ่งยโสมีความภูมิใจและโอหังต่อมูซาในอำนาจการปกครองของเขาเช่นเดียวกับบรรดาหัวหน้าของพวกชาวคูเรสได้แสดงต่อท่านนาบีสล ล, ลัลลอฮวะลัยวะสัลลัม ดังนั้นบ้านปลายของเขาก็คือการจมน้ําตายและความพินาศอย่างย่อยยับบทได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสภาพบางส่วนของวันประโลกและความน่ากลัวของวันนั้นและได้ชี้แจงถึงสภาพของผู้กระทำความผิดโดยที่พวกเขาอดครวนอยู่ในขุมนรกบทอัจยุกรุกถูกขนานนามเช่นนี้เพราะในบทได้มีการยกอุทาหรณ์อย่างน่าประหลาดถึงความเพลิดเพล้วของโลกนี้ ความเพล่พร้าดังกล่าวได้ทําให้มนุษย์ส่วนใหญ่เคลื่บเคลืมไปกับมันดังนั้นอลัลลอฮ์จึงประทานความดีในโลกนี้ส่วนในประโลกอลัลลอฮ์จะไม่ประทานความดีให้คนชั่วด้วยเหตุ น, นี้คนดีและคนชั่วจะรับความดีในโลกนี้ส่วนในประโลกนั้นอลัลลอฮ์จะไม่ประทานความดีแก่ผู้ใดนอกจากบวงเบาของโผงผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงเท่านั้นโลกนี้จะต้องพินาศสูญสลาย ส่วนประโลกนั้นจะอยู่ยงไปตลอดกาลโดยพระนามของ Allah อผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอฮามีม والكتاب المبين ฮามีมขอสาบานด้วยคำภีอันชัดแจ้ง ออินนาจลลุรรบแท้จริงเราได้ทําให้มันเป็นคุาารานภาษาอับเพื่อพวกเจ้าจะได้เข้าใจว่าอินนัู้ฟีอุมมิลคิทาบิละเดีณะละเดีณุกีนและแท้จริงอัลกุรานนั้นอยู่ในแม่บทแห่งคําพีณที่เราคือสูงส่งพร้อมพร้อมด้วยสติปัญญา มมดัง น, นั้นจะให้เราหันเหอข้อตักเตือนนี้จากพวกเจ้าเสียทีเดียวพระพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนกระนั้นดี น, นและกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ส่งนบีมาในชนชาติรุ่นก่อนว่อน และไม่มีนบีคนใดที่ได้มายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะได้ย่อเยอเยเหยียดยามเขาฉะนั้นเราจึงได้ทำลายกลุ่มชนที่เข้มแข็งมีสมรรถภาพมากกว่าพวกเขา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 Um an และเป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งหมดเป็นคู่คู่และทรงทำให้มีเรือและปุ่สัตว์สำหรับพวกเจ้าใช้ขี่เป็นพาหนะ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 และเรานั้นจะไม่สามารถเป็นผู้ควบคุมมันได้และแท้จริงเราต้องเป็นผู้กลับไปสู่พระผู้อภิบาลของเราอย่างแน่นอนและพวกเขาได้ตั้งบางส่วนจากวงบ่าวของพรหม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 ه ه ز ز และเมื่อผู้ใดในหมู่พวกเขาได้รับข่าวตามที่เขาได้ตั้งอุปมาแด่พระผู้ทรงกรุณาใบหน้าของพวกเขาก็กลายเป็นหมองคล้ำและเศร้าสลดอว่านิยูนช์อูฟิลผิมีย์ตِวะฮูวِฟَลฮิซามิไกรรมูบ และบุตรีผู้ที่ถูกเติบโตมาท่ามกลางเครื่องประดับและในการตู้เถียงก็ไม่มีอะไรชัดแจง้งจะตั้งใจให้พวกนางเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์เท่านั้นหรือ และพวกเขาได้ตั้งมาลาิกาซึ่งเป็นบ่าวของพระผู้ทรงกรุณาว่าเป็นเพศหญิงและพวกเขารู้เห็นเป็นพยานในการสร้างพวกมาลาิกากระนั้นหรือการเป็นพยานของพวกเขาจะถูกบันทึกไว้และพวกเขาจะถูกสอบสววบนว่า และพวกเขากล่าวอีกว่าหากพระผู้ทรงกรุณาทรงประสรงค์พวกเราจะไม่เคารพส ก, การะมาลายกาดอกพวกเขาไม่มีความรู้ใดในเรื่องนั้นพวกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากการฆ่าขเนะเท่านั้ น, ه ه م م นหรือว่าเราได้ประทานคำภีเล่มหนึ่งแก่พวกเขาก่อนหน้านั้น ดังนั้นพวกเขาจึงยึดถือคำพินนั้นไว้อย่างมั่นคงปล่าวเลยพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้พบเห็นบนรรพบุรุษของเราอยู่ในแนวทางนี้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 และเช่นนั divorce, no ้นแหละเราไม่ได้ส่งผู้ตักเตือนคนใดก่อนหน้าเจ้าไปยังเมืองใดเว้นแต่บรรดาผู้ฟุ่มเฟือยของเมืองนั้นจะกล่าวว่าแท้จริงเราได้พบเห็นบรรพบุรุษของเราอยู่ในแนวทางนี้ดังนั้นเราจึงดําเนินตามแนวทางของพวกเขา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 من من ดังนั้นเราได้ตอบแทนพวกเขาแล้วจงดูเถิดว่าบั้นปลายของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัตนั้นจะเป็นเช่นไรและอิบราฮิม ي ีอัลเบ و ยร์ ه ล إ ข ن าวมิฮีอินนลิบรอุมมิมะเตอร์ และจงรำลึกถึงเมื่ออิบรอฮีมได้กล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่าแท้จริงฉันขอเปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าเคารพพระบิด <hana> นอกจากอัลลอฮ์ซึ่งทรงบังเกิดฉันเท่านั้นเพราะแท้จริงพระองค์จะทรงชี้ทางนำที่ถูกต้องให้แก่ฉัน และเขาอิบรอฮิมได้ทำให้คำกล่าวสหฮาดะอยู่คงต่อไปในลูกหลานของเขาหวังว่าพวกเขาจะกลับมาสมนึกผิด ยิ่งกว่านั้นถ้าได้พวกเขาเหล่านั้นและบรรพบุรุษของพวกเขาหลงระลิงอยู่จนกระทั่งได้มีสัจธรรมอัลกุรอานและรอสูลผู้ประกาศสารอย่างชัดแจ้งมาอย่างพวกเขา ครั้นเมื่อสัจธรรมได้มาอย่างพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่านี่คือมาอยากรและแท้จริงพวกเราเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อศัจธรรมนั้น َقَالُوا الْقُرْآنُ الْقَرْيَةَيْنِ لَوْلَانُ الزِّلَهَادَ عَلَى مِنَ رَجْرٍ และพวกเขากล่าวว่าทำไมอัลกุรอานจึงไม่ถูกประทานลงมาให้แก่ชายผู้มีความสำคัญแห่งสองหมือนนี้ละ่ะ ววมมพวกเขาเป็นผู้แบ่งปันความเมตตาแห่งพระผู้พิบาลของเจ้าการะนั้นนือเราตังหากที่เป็นผู้จัดสรรการทำมาหากินของพวกเขา ระหว่างพวกเขาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และเราได้เชิดชูบางคนในหมู่พวกเขาเหนือกว่าอีกบางคนหลายขั้นเพื่อบางคนในหมู่พวกเขาจะได้เอาอีกบางคนมาใช้งานและความเมตตาของพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมววไว และหากมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้เป็นประชาชาติเดียวกันแล้วแน่นอนเราจะให้ผู้ปฏิเสธศรัทาต่อพระผู้ทรงกรุณา มีบ้านของพวกเขาหลังคาทำด้วยเงินและบันไดที่พวกเขาขึ้นก็ทำด้วยเงิน และบ้านของพวกเขามีประตูและเตียงนอนทำด้วยเงินซึ่งพวกเขาจะนอนเอกขันเลกบนมันและเราให้เครื่องประดับแก่พวกเขาที่ทำด้วยทองคำแต่ทั้งหมดนั้นเป็นปัจจัยชั่วคราวแห่งชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้เท่านั้นส่วนในพระโลกณนะที่พระผู้อภิบาลของเจ้านั้นสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้น และผู้ใดผิดหลังจากการนำลึกถึงพระผู้ทรงกรุณาเราจะเตรียมชัยตอนตัวหนึ่งไว้ให้แก่เขาแล้วมันจะเป็นสาายของเขา。 แท้จริงพวกมันคือชัยตอนนั้นจะขัดขวางพวกเขาออกจากทางที่ถูกต้องแต่พวกเขาคิดว่าพวกเขานั้นอยู่ในทางนาที่ถูกต้องแล้วจนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้มาอย่างเราในปรโลกพวกเขาจะกล่าวว่าอัตมิจา์ ถ้าระวังฉันกับเจ้ามีระยะห่างกันเช่นพิตะวนันออกกับพิะวันตกก็จะดีสหายเหล่านี้ช่างชั่วช้าแท้แท้และในวันนั้นจะไม่เกิดผลอันใดเลยแก่พวกเจ้าเพราะว่าพวกเจ้าได้อาธรรมแม้ว่าพวกเจ้าจะมีหุ้นส่วนร่วมกันในการรับโทษก็ตาม และเจ้าได้ทำให้คนหูหนวกได้ยินหรือคนตาบอดได้เห็นทางและผู้อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งกร ะ, ะนั้นหรือหากว่าเราได้เอาชีวิตเจ้าไป แน่นอนเราก็จะจัดการพวกเขาให้สาสมหรือเราจะแสดงให้เจ้าเห็นการลงโทษซึ่งเราได้สัญญากับพวกเขาไว้ถ้าจริงเรานั้นมีอนุภาพเหนือพวกเขา ดังนั้นเจ้าจงยึดมั่นตามที่ได้ถูกองค์การลงมาแก่เจ้าถ้าจริงเจ้านั้นอยู่บนแนวทางแห่งที่รุ่งและถ้าจริงอัลกุรอานคือข้อตักเตือนสำหรับเจ้าและสำหรับกลุ่มชนของเจ้า และพวกเจ้าจะถูกสอบสวนาสั่งผ้นอัศลามพระบิดาไ่ร้ราจงทำไม่ดู้วี้จงทำนไ่ดนเ้้าจงาทานมู่นิ้ว้ีจงทำนได้วนงาาาาศาศาท่ดูนิ้้จงทำนัไ่ดูนา้ั้นงทำนัได้วั้งจง้ได้้นีจน้าอื่นจาก พระผู้ทรงกรุณาเพื่อเคารกบูชากระนั้นเลยและโดยแน่นอนเราได้ส่งมูซาพร้อมด้วยสัญญาณต่าง์การของเราไปอย่างฟิร์ราหและบรรดาผู้นำของเขาแล้วเขากล่าวว่า แท้จริงฉันเป็นศาสนาทูตแห่งพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกฉันเมื่อเขามูซาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราและพวกเขาก็หัวเราะเยาะต่อสัญญาณนั้นๆ และเราไม่ได้แสดงสัญญาณอันใดแก่พวกเขาเว้นแต่ว่าแต่และอันจะยิ่งใหญ่กว่าอีกอันหนึ่งและเราได้ฆ่าพวกเขาด้วยการลงโทษหวังว่าพวกเขาจะกลับมาสมนึกผิด และพวกเขากล่าวว่าโอ้นักมายากลเ อ, อ๋ยโปรดวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของท่านแก่พวกเราด้วยตามที่พระองค์ได้ทรงให้สัญญากับท่านแท้จริงเราเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ครั้นเมื่อเราได้ปลดเปลื้องการลงโทษให้พ้นจากพวกเขาไปแล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็ผิดสัญญ า, วน า, า, าวนวว م م วาเดฟี عون في قومه قال يا قوم أليس ليمو الكمسرة و ه ا د อัน ن า ا และฟิรอาอ์ได้ประกาศท่ามกลางกลุ่มชนของเขาเขากล่าวว่าพ่อกลุ่มชนของฉันอาณาจักรแห่งอียิปต์นี้ไม่ได้เป็นของฉันดอกหรือและแม่น้ำเหล่านี้ไหลผ่านเบื้องล่างวังของฉันพวกเจ้าไม่เห็นดอกม์อันเล็กใหญ่ของม่ีน ยิ่งกว่านั้นฉันยังดีกว่าคนนี้ซึ่งเขาต่ำต้อยและแทบจะพูดจาไม่ชัดถ้อยชัดคำถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมไม่สวมกําไรทองให้แก่เขาล่ะหรือมีมาลลย์กาติดตามมาอยู่กับเขา ف ف ด้วยเหตุนี้ฟิร์าได้หลอกลวงกลุ่มชนของเขาและพวกเขาก็เชื่อฟังเขาแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนแล้วม่ออาสุนละตะนา منهم من فأورقناهم أجمعين เมื่อพวกเขาได้ทำให้เราเครี้วยเราได้ตอบแทนพวกเขาอย่างสาสมแล้วเราได้ให้พวกเขาจมน้ำทั้งหมดและเราได้ทำให้พวกเขาเป็นอดีตที่ผ่านไปและเป็นอุทาหรณ์แก่คนรุ่นต่อต่อไป และเมื่ออีซาอิบนูมารยัมถูกยกมาเป็นอุทาหอนดูสิกลุ่มชนของเจ้าก็โห่ร้องด้วยควา ม, มขุน่นอันและพวกเขากล่าวว่าพระเจ้าทั้งหลายของเราดีกว่าหรือว่าเขาอีซา พวกเขาไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องนี้แก่เจ้าเพื่ออื่นใดนอกจากการโต้เถียงยิ่งกว่านั้นพวกเขาเป็นกลุ่มชน ท, ที่ชอบการโต้เถียงอีกด้วย م م ل ل เขาอิสราเอลไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นบ่าวคนหนึ่งซึ่งเราอัลลอฮ์ได้ความโปรดปรานแก่เขา และเราได้ทำให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วงวานอิสราเอลและเราประสงค์เราจะให้มีมาลิกาขึ้นจากในหมู่พวกเจ้าให้เป็นผู้สื่อช่วงในแผ่นดินนี้ และแท้จริงเขาอีซาแน่นอนเป็นเครื่องหมายแห่งวันอวสานดังนั้นเจ้าอย่าได้สงสัยในเรื่องนี้แต่จงปฏิบัติตามฉันนี่คือแนวทางเที่ยงตรง إِنَّهُ และยะให้ชายตอนมาขัดขวางพวกเจ้าแท้จริงมันเป็นสตรูตัวฉกาศของพวกเจ้า แต่เมื่ออีช่าได้มาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งเขากล่าวว่าแน่นอนฉันได้มาหาพวกเจ้าพร้อมด้วยบทบัญญัติแห่งคำภีร์อินยินและเพื่อฉันจะได้ชี้แจงแก่พวกเจ้าให้กระจ่างแจง้งในบางเรื่องที่พวกเจ้าขัดแย้งกันดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังปฏิบัติตามเส้นเถิอินนัลลอฮฺวะรบบีวรบุคุมฟะบุดู แทาา้จริงอัลลอฮนั้นพระองค์คือพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของพวกจับแต่นั้นจงเคารพพักดีพระองค์เถิดนี่คือแนวทางอันถิ่นมุก<ะ>นิกายต่ตางๆ ได้ขัดแย้งกันในระหว่างพวกเขาดังนั้นความายนะาจงประสบแก่บรรดาผูา้อาถรรมเนื่องด้วยการลงโทษแห่งวันอันเจ็บปวด